พวกเรารู้หรือเปล่าว่าเทวาทูตนี่มาเตือนเราทุกวันเลยไม่ได้มาเตือนเวลาเราหลับหรือฝันไปนะแต่มาเตือนกลาวันแสกๆเลยเทวาทูตนี่ไม่ได้มาในชุดนะสีแดงหรือว่าห่มผ้าสีแดงนะ แต่ว่ามาในรูปที่เราคุ้นเคยมากแต่ไม่ทันสังเกตนจว่าทูตคืออะไรนะก็คือคนที่เพิ่งเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายนะอันนี้เราเจออยู่แทบทุกวันโดยเฉพาะคนแก่คนเจ็บคนตายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วนะ เพราะว่าก็ไปตายกันที่โรงพยาบาลที่จริงยังมีเทวทูตอีกอย่างหนึ่งนะก็คือคนที่เป็นนักโทษนะทําผิดแล้วถูกลงโทษอันนี้เราก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ทุกครั้งที่เราเห็นคนเด็กทารกที่เพิ่งเกิดหรือคนแก่คนเจ็บให้รู้ว่านั่นแหละคือเทวทูตก็ามาเตือนเรามาเตือนว่าอะไรมาเตือนว่าสังขารไม่เที่ยง เด็กที่เพิ่งเกิดเนี่ยเกิดมาก็ร้องเลยนะและกว่าจะเกิดมาได้นี้ก็ทุกนะความเกิดนี่เป็นทุกทุกตั้งแต่ตอนที่จะออกมาละแล้วลยิ่งตอนออกมาจากท้องแม่นี่ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่พอออกมาเสร็จก็ร้องอุแวอแว่นะ อันนี้แหละมันเป็นความทุกข์ตั้งแต่แรกเกิดเลยแล้วก็เจอความทุกข์มาตลอดนะมาชัดอีกทีก็ตอนเจ็บแล้วก็ตอนนะแก่ให้เราระลึกว่าเนี่ยคือเทวทูตนะนะคนที่ฉลาดเมื่อเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายก็รู้ว่าเนี่ย เขามาเตือนเราแล้วว่าให้ว่าจะปล่อยชีวิตอย่างประมาทให้ทำความดียิ่งเห็นคนนับโทษติดคุกติดตารางนี่ก็ยิ่งนะเตือนใจได้ดีมากนะให้เราลึกไว้นะว่าเทวดานี่คืออะไรเขามาเตือนเราเรื่องอะไรเวลาตายไป พยาลมเขาถามว่าเคยเห็นเทวทูตไหมจะได้ตอบได้ถ้าตอบได้ตอบถูกนี่ก็พยายมก็อาจจะเมตตานะแต่ถ้าตอบไม่ถูกนี่พยายมก็จะโกรธเนี่ยในพระไตรปิฎกก็มีพระสูตรตอนหนึ่งที่คนชั่วนี่ตายไปแล้วก็ไปเจอพยายมพยายมก็จะถามว่าเคยเห็นเทวทูตไหม ถ้าบอกว่าไม่เคยเห็นพยาหยุ่นก็บอกว่าเคยเห็นคนเกิดเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเคยเห็นนักโทษไหมนั่นแหละเทวดาทูตแหละและเมื่อเห็นแล้วนี่เคยสํานึกไหมว่าเร า, าต้องรีบทําความดีเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือถ้าเราทําผิดเราก็ต้องได้รับโทษนะเคยสานึกไหมถ้าไม่สํานึกนะก็ถูถกตัดสินพิพากษาลงนระก ไปเลยนะถ้าคนเรามีเวลาในโลกที่จำกัดก็ต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าด้วยการทำความดีเรียกนี้ความชั่วแต่ว่าทำแค่นี้ไม่พอนะต้องภาวนาด้วยนะภาวนาอันนี้สำคัญมากลาชั่วทำดีนี่มันเป็นเรื่องกายวาจา แต่ว่าต้องฝึกใจด้วยอย่างที่พูดไว้เมื่อเช้าว่วาบัณฑิตนิยมฝึกตนไม่ใช่ฝึกที่กายที่วาจาเท่านั้นแต่ว่าฝึกที่ใจด้วยฝึกให้ใจของเราเนี่ยมันอ่อนโยนนุ่มนวลเปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณาแล้วก็ลดละความเห็นแก่ตัวลดละความยึดติดถือมัน่นคนเราทุกข์ก็เพราะความยึดติดถือมั่นนิแหละ เรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วใครทุกข์ก็เราทุกข์เองเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็เอามาคิดเอามากังวลแล้วใครทุกข์ก็เราทุกขนะ์เองรารู้จักปล่อยวางรู้จักเท่าทันอารมณ์ความคิดเหล่านี้บ้างนะ เ, าเรามาที่นี่เนี่ยก็เพื่ อ, อมาฝึกนะมาฝึกเพื่อให้เรานะมีสตริรู้จักปล่อยรู้จักวาง เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยรู้จักวางเท่าไหร่โกรธแล้วก็วางไม่เป็นเกลียดแล้วก็วางไม่เป็นกังวลแล้วก็วางไม่เป็นอย่าว่าแต่ความความโกรธความเกลียดความกังวลเลยไม่แต่ความคิดนะคิดเก่งนะเดี๋ยวนี้เราคิดเก่งแต่ว่าเราปล่อยวางไม่ได้วางไม่เป็นนะคิดเก่งนี่มันยิ่งต้องรู้จักวางให้เป็นนะ คิดเก่งก็ต้องหยุดคิดได้นะถ้าคิดเก่งแล้วแต่หยุดคิดไม่เป็นนี่มันก็เหมือนกับรถนะที่แล่นเร็วแต่ไม่มีเบรกนะคนสมัยนี้นี่คิดเก่งคิดอึดคิดทนคิดได้ซับซ้อนพิสดารแต่ว่าวางไม่เป็นหยุดไม่ได้ก็เลยเหมือนกับรถที่เครื่องแรงแต่ไม่มีเบรกมีใครอยากได้รถแบบนี้บ้างนะ มาให้ฟรีๆก็ไม่เอาเลยเพราะมันอันตรายนะใจของเราก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าออกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ฝึกนะให้มีสติ้สตินี้มันก็มีก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือความระลึกได้ความรู้ตัวว่าเราเผลอไป เวลาคิดเนี่ยรู้ตัวว่าคิดไหมนะเวลาเผลอเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกแต่ว่าถ้ารู้ตัวไวเท่าไหร่ความเผลอความหลมก็จะเลือนหายไปเร็วมากเท่านั้นนะคนเราทุกข์ก็เพราะความคิดนั่นนะไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุอื่นเลยเด๋ยวนี้เราก็มีความสุขกายมีความสะดวกสบายกัน มากนะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะความทุกข์กายนี่มีน้อยนะกินอิ่มนอนอุ่นกันทั้งนั้นไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแต่ก็ยังทุกข์กันอยู่และอาจจะทุกขกว่าคนสมัยก่อนด้วยคนสมัยก่อนนี่เขาลำบากลำบนนะจะจะกินข้าวนะจะ ตักน้ำนะก็ต้องขนต้องแบกมาจากที่ไกลๆเดี๋ยวนี้เราแค่เปิดก๊อกก็ได้กินละหุงข้าวก็ไม่ต้องไปผ่าฟืนนะแค่กดปุ่มมันก็ได้ข้าวกินละเร็วด้วยเดี๋ยวนี้นะานาทีห้านาทีก็ได้กินมาม่าไวๆเลยแต่ทำไมคนยังทุกอยู่นะมันไม่ได้ทุกกายนะแต่ทุกใจนะ ทุกใจก็เพราะความคิดนั่นแหละอย่างตอนนี้นี่พวกเร า, า จ, จะยังอาจจะมีความทุกข์อยู่ก็ได้ทั้งๆ ท, ที่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรงานการก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องแบกน้ำไม่ต้องอทำอะไรที่ต้องมาเหนื่อยกายแต่ว่าหลายคนนะรู้สึกทุกข์ใจ ทุกใจเช่นเบือ่อเซ็งนะมาปฏิบัติได้สองสามวันน ะ, ะก็เริ่มเบือ่อพอเริ่มเบื่อแล้วจิตมันก็ดินแล้วนะมันอยากจะออกไปจากที่นี้อยากจะออกไปอยากจะเลิกการปฏิบัติอยากจะกลับไปบ้านนะอยากจะกลับไปหาเพื่อนนะทีจริงมันก็ไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรที่เราต้องทุกข์เลย แต่พอใจมันอยากนะอยากออกไปจากที่นี่อยากเปลี่ยนบรรยากาศอยากกินอยากเที่ยว อ, อยากดูอยากดูโทรทัศนะ์ไอ้ความอยากนี่ก็ทำให้ใจนี่ทุกทันทีเลยนะเวลาจิตมันดิ้นเ ม, มื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นแหละนะทั้งทั้งที่กายก็สบายแต่ว่าทุกเพราะใจใจที่อยากใจที่มันดิ้นนะ นงอยเหงาขึ้นมาแล้วทีนี้นะก็ไม่เป็นไรนั้นธรรมดานะก็ดูมันไปนะทำใจให้สดชื่นแช่มชื่นถ้ามาปฏิบัติทั้งทีต้องทำใจใสดชื่นอย่าให้ใจมันหนักอึ้ง น, นะถ้าบางคนที่มาปฏิบัติแล้วเนี่ยทั้งท้ทีตั้งใจมาปฏิบัตินะสมัครมาเองแต่ว่ายิ่งทำไปทำไปยิ่งเครียด ใจนี่หนักอึ้งบางทีที่มีความทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติซะอีกก็เลยรู้สึกท้อแท้ว่าปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติแล้วทุกข์กว่าคนที่ไม่ปฏิบัติอันนี้ก็เพราะวางใจไม่เป็นนะไปพยายามกดข่มเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะความคิดหรือว่าอยากจะให้จิตเป็น เป็นโน่นเป็นนี่แล้วพอไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการก็ทุกข์นะไอ้ความอยากนี่มันคือเชื้อแห่งความทุกข์นะแม้แต่อยากจะสงบแต่พอไม่สงบนะก็ทุกข์เลยและที่จริงเนี่ยไอ้ความยากเนี่ยมันก็เป็นตัวการที่ทําให้จิตเนี่ยสงบได้ยากนทันทีที่อยากนะจิตมันก็ไม่เป็นปกติแล้ว พอไม่เป็นปกติมันก็เกิดความเครียดความเกรงขึ้นมาแล้วความเครียดความเกรงนี่พอสะสมมากๆก็ทําให้เกิดความเครียดนะถ้าลองรู้ทันความอยากนะอาการเจริญสติมันก็ไม่มีอะไรนะก็เพียงแต่ดูเฉยๆดูสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เลือกที่รักมา่งที่ชังดีใจก็รู้นะเสียใจก็รู้นะโกรธก็รู้นะ เซิงก็รู้แล้วก็ถ้ารู้ว่าเออมันเป็นพราะอะไรเนี่ยก็ยิ่งดีอย่างคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆนะอาจจะรู้สึกเบื่อเพราะว่าเสพติดสีแสงนะเคยอยู่ในเมืองมีสีมีแสงมีรถมีชาติมีผัสสะใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่พอมาอยู่ที่นี่ มันไม่ได้เสพไม่ได้เห็นแสงสีไม่มีสิ่งมากระตุนเราจิตมันก็หงอยเหาเงาอาการมันคล้ายๆคนคนติดคนติดยาคนติดบุรหรี่ติดกาแฟติดมานานเสร็จแล้วพอเลิกหรือว่าพอไม่ได้กินเข้ามันก็มีอาการกระสับกระสายมีอาการงงเหงาเหานอนเสื่อซึมคล้ายๆคนลงแดง คนที่อยู่ในเมืองคนสมัยนี้มันก็จะเสพติดกับอารมณ์เสพติดกับภาษาได้ง่ายนะเสียงเอ่ยแสงเอ่ยรูปภาพเอ่ยนะมันมีสิ่งเราวสิ่งกระตุ้นทุกวันจนกระทั่งนะเสพติดนะพอไม่ได้เสพพอไม่ได้เจอก็จะรู้สึกหงอยนะอันนี้มันธรรมดา เดี๋ยวมันก็สักพักก็จะหายเมื่อนคนที่ติดยาติดกาแฟติดบุหรี่นะพอไม่ได้เสพพอไม่ได้สูบมันก็มีอาการนะเรียกว่าอาการหงุดหงิดลำคาญเบือ่อเซงสารพัดนะแต่ว่าพอผ่านพอผ่านภาวะอย่างนี้ไปได้ก็จะรู้สึกดีขึ้นรู้สึกปลอดโปรง่ง ตอนนี้จิตของเราเนี่ยมันก็จิต ท, ที่กำลังปรับตัวอยู่นะนั้นมันเบื่อก็ช่างมันนะเบื่อก็ช่างมันก็ดูนไปอที่น่าวันนี้มีตรงประตูเขียนว่าเปิดได้ปิดด้วยนะเปิดได้ปิดด้วยเปิดไม่เป็นไรแต่ขอให้ปิดนะวเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความรู้สึกเบือ่อเกิดความโกรธ อ, อะไรขึ้นมาก็ เกิดได้นะแต่ให้รู้ตัวด้วยนะเกิดได้แต่ให้รู้ด้วยรู้เท่านั้นแหละนะก็พอแล้วแล้วไม่ต้องไปกดข่มมันมีความคิดมีอารมณ์ใดที่มารบ ก, กวนจิตใจก็ไม่ต้องกดข่มมันไปกดมันเนี่ยมันยิ่งผุดยิ่งโผล่นะเพียงแต่รู้มันเฉยๆนะรู้มันเห็นมันเช่นเห็นความอยาก ความอยากมันก็ลดลงมีเด็กเก้าขวบคนหนึ่งนะมอ้อนวอนขอแม่อยากได้ของเล่นอยากได้มากมากเลยแม่ก็ถามว่าของเล่นอะไรเด็กก็ตอบว่าเป็นไมโครโฟนนะเป็นไมโครโฟนขนาดเล็กพอเสียบปลั๊กแล้วมันก็ร้องเพลงได้แม่ถามว่าเท่าไหร่เด็กตอบว่า400อบาทแม่ก็ร้องเลยตกใจโอ้มันแพงนะสหรับเด็กเด็กไม่กี่ขวบเอง แต่เด็กอยากได้อยากได้มากๆเลยวิงวอนแม่แม่ก็รู้ว่าถ้านะถ้าถ้าปฏิเสธลูกก็คงจะบวยวายหรือว่าร้องหม่มร้องไห้แต่ถ้าจะตามใจลูกนะมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แม่ก็เลยบอกว่าอา้าวงั้นเดี๋ยวแม่อนุญาตให้ลูกให้ลูกไปซื้อได้นะ แต่ว่าของมันแพงก็ให้ใช้เงินลูกก็แล้วกันนะแต่ว่ามีเงื่อนไขสองข้อนะข้อที่หนึ่งก็คือแม่จะหักค่าขนมลูกวันละครึ่งนะใส่กระปุกไว้จนครบสี่ร้อยแล้วข้อที่สองนะให้ทุกเย็นเลยนะตั้งแต่นี้ไปหนึ่งอาทิตย์ทุกเย็นลูกก็ไปดูที่ร้านนั่นไปดูไมโครโฟนนั่นจะไปจับต้องก็ได้นะคนขายไม่ว่าหรอก เพราะยังไงลูกก็จะซื้ออยู่แล้วแต่ว่าขณะเดียวกันก็ให้ดูใจด้วยดูความอยากดูว่ามันความอยากมันมันยังอยากมากเหมือนเหมือนวันก่อนไหมมันยังอยากมากเหมือนเดิมไหมลูกก็ดีใจโอ้ดีทำตามที่แม่บอกยอมหักค่าขนมวันละครึง่งแล้วก็ทุกเย็นก็ไปดูของที่ร้านดูอยากดูอยู่แล้วเนี่ย แต่ว่าพอดูไปได้สักสี่วันก็มาบอกแม่ว่าไม่เอาแล้วแม่ไมโครโฟรนนะ่ะไม่เอาแล้วแม่ก็ถามว่าทําไมล่ะเด็กบอกว่าเบื่ออะแม่ก็ถามว่าทําไมถึงเบื่อก็บอกว่าดูพอดูมันไปมันก็เบื่อเองเสียแดงกันแล้วเสียเราไปทําอย่างอื่นดี ก, กว่านในความอยากเนี่ยพอเราไปเห็นมัน หรือดูมันเฉยๆเนี่ยมันก็จางคลายไปเองแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นความอยากมันจางคลายนะเพราะว่าพออยากได้อะไรก็ซื้อเลยอยากได้อะไรก็ทำตามความอยากเลยก็เลยไม่ทันสังเกตว่าความอยากนี่มันเกิดขึ้นเริ่มก็ค่อยจางหายไปเมื่อกองไฟกองไฟจุดได้สักพักถ้าไ ป, ไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันมันก็ค่อยๆดับไป แม่นี่ก็ฉลาดแม่เ็าให้สอนให้ลูกเนี่ยดูดูใจคือดูความอยากล้วพอดูความอยากนี่ความอยากมันก็ก็เห็นความอยากมันจางคลายไป้พวกเราเวลาอยากได้อะไรเนี่ยอยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่อยากได้อ่ากล้องถ่ายรูปนะอย่าเพิ่งผีพรามทาตามมันนะให้ลองสังเกตดูความอยากนะ ดูสักสองสาวันดูว่ามันยังอยางเหมือนเดิมไหม้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะค่อยๆจางคลายไปแต่เราไม่ค่อยได้เห็นความอยากแบบนี้นะเพราะว่าเราทำตามมันอยากได้ปุ๊บก็ซื้อปั๊บเลยก็เลยไม่ไม่เกิดความรู้ความรู้คืออะไรความรู้ก็คือว่าให้ความอยากเนี่ยรวมทั้งอารมณ์อื่นๆด้วยมันก็ไม่เที่ยง ไม่ไปไม่ต้องไปทําอะไรกับมันอนะ่ะไม่ต้องไปกดข่มมันมันก็ค่อยๆหายไปเองนะแต่ถ้าไปกดข่มมันไปผักสายมันนี่มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งผุดยิ่งโผล่นะเหมือนกับเด็กวัยรุ่นนะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยู่เราดูมันไปเนี่ยในการเจริญสติคือการดูนะแล้วเราก็จะรู้ว่าเออความทุกข์จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราและความสุขก็อยู่ที่ใจของเราเหมือนกัน พอใจเราโปร่งเราโล่งเบาสบายนะก็จะรู้สึกสุขขึ้นมาวความสุขไม่ได้เกิดจากการที่เราได้สมอยากนะอันนั้นเป็นความสุขทางวัตถุเราเรียกว่าการมาสุขการที่ใจเราสงบไม่มีไม่มีอาการดิ้นรนนะไม่มีความโกรธครอบงำไม่มีความอยากแผดเผาใจมันก็สงบได้ โดยพราะเวลาเราคิดฟุ้งซ่าแล้วเรารู้ทันปล่อยวางความคิดนะก็สงบแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะว่ามีแล้วก็อยากได้อีกนะมีแล้วก็ไม่พอใจสักทีแล้วนะเคยเคยบินทบาทเนี่ยแล้วก็มีมามันตามมา โยนข sure ้าเหนียวให้ม <optimization>, <throat> ันก้อนหนึ่งมันก็งับไม่ทันจะกินเลยแล้วก็โยนไปก้อนหนึ่งมันคายก้อนแรกมาไปงับก้อนที่สองทั้งๆที่เป็นก้อนขนาดเท่าเดิมทำไมมันคายก้อนแรกแล้วไปงับก้อนที่สองก็เพราะว่าเป็นก้อนใหม่มันไม่ชอบของเก่ามันอยากได้ของใหม่คนเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเราได้แล้วเนี่ยก็อยากได้อีก พอได้พบขึ้นมามันก็กลายเป็นของเก่าพอเป็นของเก่าเราก็อยากได้ของใหม่นะโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาทีแรกตอนที่ยังไม่ซื้อก็เป็นของใหม่แต่พอซื้อแล้วมันกลายเป็นของเก่าไปแล้วก็อยากได้ของใหม่อีกนะจิตที่อยากได้อยากเสพอยากได้ของใหม่เนี่ยมันก็ทาให้หาความสุขไม่เจอนะ ความสุขเราไปคิดว่ามันอยู่ข้างนอกแต่ที่จริงมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจที่รู้จักพออยู่ที่ใจที่รู้จักปล่อยรู้จักวางถ้าต้องหาความสุขตรงนี้ให้เจอนะความสุขที่ใจมันมีนิทานเรื่องหนึ่งนะตอนที่พระเจ้าสร้างโลกนะพระเจ้าก็สร้างสปปรรพสิ่งขึ้นมาสร้างโลกสร้างสัตว์สร้างมนุษย์เสร็จแล้วก็จะมอบความสุขให้แก่มนุษย์ แต่ว่าก็มีพวกปีศาจนะ่ะปีศาจนี่มันประสงค์ร้ายต่อต่อมนุษย์มันก็ไปขโมยความสุขพระเจ้ายังไม่ทันจะมอบความสุขให้แก่มนุษย์เลยมันก็ไปขโมยมาครนนี้ขโมยแล้วก็ต้องหาทางหลบหาทางซ่อนหาทางซุกเสียว่าจะเอาความสุขนี่ไปซุกไปซ่อนที่ไหนก็ปรึกษาหาลือ ก, กันปีศาจนี่มันมีมันมีเป็นกองทัพเลย ก็มาคุยกันว่าจะไปซ่อนความสุขไว้ที่ไหนดีก็มีปีศาจตนหนึ่งนะนะเรียกเป็นปีศาจปาวานก็แล้วกันบอกว่าเอาความสุขไปซ่อนไว้ที่สะดือทะเลไปซ่อนให้ลึกที่สุดเลยนะไม่มีทางหรอที่มนุษย์เจอแต่ปรากฏว่าความ ข้อเสนอนี้ไม่ผ่านเพราะว่าปีศาจตัวที่ฉลาดกว่ามันก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยสักวันก็ต้องตามหาเจอนะไม่ว่าจะอยู่ลึกแค่ไหนก็จะต้องหาทางไปเจอจนได้นะปีศาจอีกตัวหนึ่งเป็นปีศาจหมีก็บอกว่าเอาไปซ่อนไว้ในถ้ำที่ลึกที่สุดสูงที่สุดบนภูเขา ทีแรกก็ใครๆก็เห็นด้วยแต่ว่าปีศาจตัวตัวหัวหน้าก็บอกว่าไม่ได้หรอกมนุษย์ยังไงก็ตามไปถึงเอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่ภูเขาเลยแม้แต่ดวงดาวพระ จ, จันทร์เนี่ยมนุษย์ก็ยังสามารถจะไปถึงได้แล้วตกลงว่าจะไปซ่อนที่ไหนดีคิดไม่ออกแล้วก็มีปีศาจหนูตัวเล็กๆมันบอกว่าผมรู้แล้วไปซ่อนที่ไหน หัวหน้าก็ถาวไปซ่อนที่ไหนล่ะก็ไปซ่อนที่ในใจมนุษย์ไงซ่อนตรงนั้นแหละไม่มีทางเจอเลยมนุษย์นะแล้วจริงไหมนะไปซ่อนที่ไหนก็ไม่มีที่ไม่ไม่มีที่ไหนที่มนุษย์จะตามหายาเท่ากับซ่อนไว้ในใจเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันสนใจเรื่องภายนอกรู้เรื่องภายนอกมากมาย ส, สามารถเที่ยวบินส่งคนไปถึงดวงจันทร์สามารถที่จะส่งยานอวกาศไปถึงสุดขอบจั ก, กรวาลได้ตอนนี้มียานอวกาศหลายหลายลาเลยเนี่ยมันไปถึงโน่นสุดสุริยะจั ก, กรวาลแล้วแล้วก็บางอันบางเครื่องก็กำลังไปเลยสุดไปเลยนอกสุริยะจั ก, กรวาลไปแล้วนะรู้ถึงเรื่องดวงดาวที่อยู่ไกลหลายพันล้านปีแสง เห็นหมดรู้หมดนะแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์รู้น้อยมากหรือถ้าไม่รู้เลยคือเรื่องจิตใจตัวเองนะเพราะอะไรเพราะมันใกล้แสนใกล้มันใกล้มากจนทั้งดูเหมือนไกลนะปีศาจเนี่ยก็รู้นะว่าถ้าเอาความสุขไปซ่อนไว้ในใจมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยยากที่จะหาเจอได้พอมนุษย์นี่คิดแต่จะไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกนะเสร็จแล้วเป็นยังไงนะมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความสุข นะก็ยังดินห้นระนหาเงินเพิ่มมากขึ้นเพราะวาความสุขมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะความสุขไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้อยู่ที่อํานาจถนะ้มีอํานาจมากเท่าก็ไม่มีความสุขยังอยากได้อีกนะแต่ว่าความสุขที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราก็ต้องหาให้เจอ หาไม่ยากอะไรหรอกนะก็เพียงแต่มีสติดูใจอยู่เรื่อยๆนะดูใจให้รู้ว่าเนี่ยเวลาสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะสิ่งนอกตัวนะแต่ว่ามันอยู่ที่ใจเรานะ่าต้องสอนนะต้องฝึกใจของเราอยู่เสมอนะ่าเด็กๆนี่เขาก็รู้เองได้นะเด็กฉลาดนั่นะมีเด็กคนหนึ่งชื่อเปาวานนะี่สี่ขวบคนนั้นนะ่ะ ถูกแม่ดุปกติเวลาเด็กถูกแม่ดุก็จะเถียงแมนะ่หรือแม่ก็พยศนะแต่ปาวานี่พอโดนแม่ดุสีหน้าไม่ดีก็เดินหนีอกไปแม่ก็ถามว่าไปไหนแม่ก็เดินตามถามปาวานว่าไปไหนปาวานบอกว่าไปสงบสติอารมณนะ์ปาวานรู้ว่าที่ ท, ทุกข์เนี่ยเป็นเพราะอารมณ์ของตัวเองมันพุ่งพรุ่งพล่าน ไม่ใช่เพะเพะ่อไม่ใช่พ่อแม่ดุบางทีผู้ใหญ่เนี่ยมองไม่มองไม่เห็นนะอย่างปาวานนะเวลาถูกคนต่อว่ารู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาก็ไปโทษก็ไปมองว่าคนนั้นแหละที่ทำให้ฉันทุกข์นะคนนี้แหละที่ด่าว่าฉันจึง ท, ทำให้ฉันทุกข์แต่ปาวา น, นี่ก็รู้เลยว่าไอท้ที่ที่ฉันทุกข์นี่ไม่ใช่เพราะแม่นะแต่เป็นเพราะใจฉันเนี่ยมันอารมณ์พลุ่งพล่าน ปาวาก็เลยไปสงบสตอิอารมณ์นะเขาก็รู้วิธีของเขานะพอไปอยู่นิ่งๆเดี๋ยวก็หายทุกข์นะเดี๋ยวนี้เราคิดแบบนี้บ้างหรือเปล่าเห็นแบบนี้บ้างไหมเวลาเราทุกข์เราไปโทษคนอื่นตลอดเวลาว่าคนอื่นทาให้ฉันทุกข์แต่ไม่ได้กลับมาดูใจของตัวเองว่าใจาของเราเนี่แหละที่มันเป็นตัวการ ถ้วมีเด็กคนหนึ่งก็ฉลาดเหมือนกันนะชื่อน้องไอวิ่งอยู่ดีๆวิ่งไปชนประตูกระจกดังตึงโครมกระจกไม่แตกนะแต่ว่าน้องไอนี่กระเด้งมาเลยแม่ได้หินก็ตกใจวิ่งมาตั้งใจว่าจับแมจะมาจะมากอดจะมาปลอบโยนน้องไอ น้องไอเห็นแม่วิ่งมาน้องไอก็บอกแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องไอนั่งสมาธิเดี๋ยวก็หายเองอ้าเด็กเขารู้นะว่าเวลาปวดเนี่ยลองทําใจให้สงบนั่งสมาธิความปวดก็บันเทาถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องโกรธนะโกรธอะไรอาจจะโกรธกระจกหรือโกรธคนที่มาปิดประตูกระจกนะ ใคปิดประตูกระจกแบบนี้วะหรือว่าบางทีก็เตะประตูกระจกเลยนะโกรธโทษข้างนอกนะแต่ว่าเด็กคนนี้ก็าชลาญเขาก็รู้ว่าทําอย่างนั้นไม่ได้ช่วยทําให้หายโกรธไม่ได้ช่วยทําให้หายทุกข์แต่ว่าถ้ามันนั่งสมาธิแล้วเดี๋ยวมันหายเองนะเนี่ยปกตินี้เราไปโทษข้างนอกเออแล้วก็โทษข้างนอกโทษโทษคนนั้นโทษคนนี้น ว่าทำให้เราทุกข์ว่าทำให้เราลำบากแต่ไม่ค่อยดูใจของเรานะต้องกลับมาดูใจของเราด้วยนะว่ามันเป็นตัวกาหรือเปล่านะคนเราถ้ากลับมามองตรงนี้ได้เนี่ยมันก็มีทางที่จะทำให้หายทุกข์ได้แต่ถ้าไม่มองที่ตัวเองไปมองข้างนอกเนี่ยนะมันก็จะยิ่งเกิดความโกรธยิ่งหาทางอยากจะแก้แค้น อยากจะตอบโต้ก็ยิ่งเท่ากับสมไฟอารมณ์ให้มันเผาลนจิตใจแต่ถ้ากลับมาดูใจตัวเองดูเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรมากแค่ดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเหมือนกองไฟที่ไหม้แล้วก็ค่อยมอดลงไปถ้าเราไม่ไปทําอะไรกับมันนะคือไม่ไปทําตามอํานาจของมันหรือว่าไม่ปล่อยใจฟุ้งไปตามมันหรือไม่ไปกดข่มมัน ที่เรามาปฏิบัติกันมาฝึกกันก็ทําอย่างนี้แหล ะ, น, หละนะก็คือดูใจดูใจดูนะมันเกิดขึ้นก็รู้ไม่ต้องไปไปปรุงไปแต่งไปประกอบประงมมันดูมันไปดูมันไปแต่ใหม่ๆนี่ก็ต้องอรู้จักปลูกใจให้แช่มชื่นเบิกบานมั่งทำใจให้แช่มชื่นมองออกไปไกลๆจะได้หายง่วงนะมองฟ้านะจะได้สดชื่นขึ้นมา แล้ก็จะมีกำลังที่จะทำปฏิบัติต่อไปนั้นก็ทาไปเรื่อยๆก็ฝึกไปดูใจของเราไปต่อไปก็จะเริ่มเป็นนิกิตตัวเองได้ถ้าคนที่ไม่ดูใจของตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกมากขึ้นเรื่อยๆว่าใจเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนเราบางทีใจนี่เป็นศัตรูของเราเพราะว่าเราปล่อยให้ใจเนี่ย เหมือนกับบ้านที่ถูกทิ้งให้รกกร้างเหมือนกับใต้ถุนบ้านหรือบ้านที่ถูกปล่อยให้รกกร้างมก็มีพวกสิ่งสารลาสะมีมะแมลงต่างๆเข้ามามันก็ไม่น่าอยู่แต่พอเราปัดกวาดปัดกวาดทาความสะอาดที่ดีดูแลใจใสบ้านนั้นก็เป็นบ้านที่น่าอยู่อยู่แล้วเราก็มีความสุขใจก็เหมือนกันถ้าเราดูแลใจใสอยู่เรื่อยๆมันดูใจบ่อยๆนะ ใจก็สะอาดสะอ้านโปร่งเบาแล้วก็ทำให้เรามีความสุขก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าความสุขที่แท้นี้ก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละหายเจอกันแล้วกันเอาะคนี้ก็พูดกันเท่านี้